หลวงปู่ชอบฐานนาตโมวัดปาสัมมานุสรบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยตอนที่หนึ่งหลวงปู่ชอบฐานนาโมมีชาติกำเนิดในตระกูลแก้วสุวรรณเดิมชื่อบ่อเกิดเมื่อวันที่สิบสองกุมภาพันธ์พุทธศักราชสอง4บตรงกับวันพุธ ขึ้นห้าคำเดือนสามปิฉลูนาบ้านโคกมนตมบุญาน้อยอำเภอวังสพจังหวัดเลยโยมบิดาชื่อหมอโยมมารดาชื่อพิลาท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันสี่คนลำดับที่หนึ่งคือตัวท่านเองลำดับที่สองน้องสาวชื่อพาแก้วสุวรรณลำดับที่สาม น้องสาวชื่อแดงแก้วสุวรรณลำดับที่สี่น้องชายคนสุดท้องชื่อศิน์แก้วสุวรรณยมดีดามารดาเล่าให้ท่านฟังว่าบรรพบุพ ร, บรุษต้นตระกูลของท่านนั้นเดิมมุดถึฐานบ้านเรือนอยู่ที่อำเภอดาด้ายจังหวัดเลยมีอาชีพหลักคือการทำนาแต่เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาการทำนาต้องอาศัยไหลเขา ทำเป็นขั้นบันไดชั้นชั้นไปจนจะปลูกข้าวได้แม้จะลงแรงทำงานหาเลี้ยงกันยังไม่ยอมเหนื่อยต้องทำไร่ตามรอยเพิ่มเติมแต่ก็ไม่ค่อยพอปากพอท้องโดยเฉพาะบางปีถ้าฝนแรงข้าวไม่เป็นผลพืชล้มตายก็อดยาแครงแคร์จงได้คิดโยกย้ายไปแสวงหากินทำมาหากินใหม่ ซึ่งจะเป็นที่ราบลุ่มอันไม่เป็นที่ดอยที่เขาเช่นแต่ก่อนตระกูลของท่านจึงพากันอพยพหนีความอัตขัปืดเคืองมหาภูมิลำเนาใหม่ผ่านหุบเหวภูเขาสูงของอำเภอด่านใต้ผ่านป่าดงคงทึกของภูเรือภูฟ้าภูหลวงได้มาพบชยภูมิใหม่ที่มีความเหมาะสมคือบ้านโคกมณตมบนถานน้อยอำเภอวังสะพุง ยังเป็นที่รกร้างว่างเปลา่าไสหุบห้วยเหมาะแก่การเพาะปลูกซึ่งช่วยกันหักร้างถังป่าออกเป็นไรนาสาโทของยดอาชีพหลักคือการทำนาเช่นเดิมณนะบ้านโคกม น, นีเองที่เด็กชายบอ่อบุตรชายคนหัวปีของสกุลแ้่ตุวันได้ถือกำเนิดขึ้นมาชีวิตตอนเป็นเด็กของท่าน นับบารมีภาระเกินไวยเดยเกิดมาเป็นบุตรคนหัวปีต้องมีหน้าที่ช่วยบิดามารดาทำงานในเรื่องสวนไร่นาะปกติท่านเป็นคนว่านอนสอนง่ายไม่เป็นที่หนักใจของบิดามารดาและเป็นคนไม่ชอบคลุกคลีกับหมู่คณะเพื่อนฝูงมีนิสัยเงียบขรึมมาแต่เล็กแต่น้อยไม่ค่อยพูดเล่นหัว ท่านแสดงนิสัยองค์อาจเด็ดเดียวมาตั้งแต่เด็กโดยไปไหนชอบไปคนเดียวไม่ชอบอาศัยหมู่พวกซึ่งมีสายองอาจเด็ดเดียวที่ฝังตัวมาแต่เด็กแต่เล็กแตน้อยนั้นก็ได้ปรากฏชัดเจนในภายหลังเมื่อท่านเข้าสู่เพศครองผ่ากาบวัพพัทแล้วก็ออกเดินทุดดงจาริกแสว่งคำไปในป่าดงพงทึบแต่ลาพังองค์เดียวอย่างไม่หวันเกรงภัยอันตรายใดๆ เหมือนพญาช้างสาลที่ละโหลงบริวารพอใจท่องเที่ยวไปในราวป่าอย่างโดดเดี่ยวเด็กชายบอกก็ยังสนใจในการศึกษาเล่าเรียนจนสามารถพออ่านออกและเขียนหนังสือได้บ้างซึ่งกันนับว่าเก่งพอใช้แล้วสำหรับเด็กชนบทในหมู่บ้านอันห่างไกลจังหวัดเช่นนั้นท่านเล่า ว, ว่าความรู้ในการอ่านเขียนนั้นท่านเรียนได้มาจากพระภิกษุในวัด ซึ่งทำให้ชีวิตของท่านคุ้นเคยกับวัดมาแต่เด็กเมื่อท่านอายุครบเก้าขวบย่างขึ้นปีที่สิบยมบิดาก็ถึงแก่กรรมคงเหลือแต่มารดาผู้ที่ต้องรับหน้าที่เลี้ยงดูลูกถึงสี่ปากสี่ท้องเด็กชายบ่อในฐานะที่ชายคนโตกลายเป็นผู้ชายที่มีอายุมากที่สุดแน้จะมีอายุเพียงสิบขวบแต่เด็กชายบอ ก, ก็รู้คิด โวยมารดาในกิจการงานทั้งพวงการใดซึ่งเคยเป็นหน้าที่ของพ่อบ้านงานออกแรงกลางแจ้งในด้านเรือสวนไรนาท่านก็ไม่ได้ปล่อยให้ตกเป็นภาระของมานดาเพีฝ่ายเดียวจึงทําให้เด็กชายบ่อมีภาระเกินไวเป็นเด็กที่พูดน้อยอยู่แล้วก็ดูจะเพิ่มความเนืยอเครือ ม, มากขึ้นไปอีกต่อมาโย ม, มารดาของท่านพิจารณาเห็นว่า ที่ทางรรมาหากินที่บ้านโคกมณ์นี้ยังคงขัดข้องอยู่อยากที่น้องของท่านที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวมาส่งข่าวว่าได้พบถิงนี่อุดมสมบูรณ์กว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านโคกมณ์เท่าไหรนะ่นักแต่เป็นคนละจังหวัดกันคือที่ตำบลเชียงคินอำเภอหมากแข้งจังหวัดอุดรธานีได้มีการเดินทางไปสำรวจแหล่งทำกินแห่งใหม่ และปึกษาหารือกันในกลุ่มญาติสนิทนิตหายหลายคนแล้วตกลงที่จะอพยพเคลื่อนย้ายไปหาถิ่นทรเลธรมาหากินใหม่อีกครั้งหนึ่งท่านเล่าว่าการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานบ้านช่องนั้นมิได้ไปกันตามลำพังครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดโดยโดดเดี่ยวหากจะไปกันเป็นหมู่คณะอย่างที่สมัยโบราณเรียกกันว่า ย้ายถินหรือถอนไปแรงเมืองสร้งบ้านกันทีเดียวการอพยพบ้านมาที่ตำบลเชียงทินอำเภอหมากแข้งนี้ครอบครัวของท่านอพยพมาพร้อมกับครอบครัวของพี่ป้าณนะ้าอามากมายแต่ก็ยังมีญาติพี่น้องอีกเป็นจำนวนมากเช่นกันที่ยังรักถินฐานบ้านเรือนแห่งเก่าคงพอใจที่จะยังฝักหลักอยู่ณนะบ้านโคกมนตต่อไปดังเดิม เด็กชายบอกซึ่งยังคงไปไปมามาระหว่างเชียงพินกับบ้านโคกมณอยู่มิขาดทั้งที่บ้านเชียงพินและบ้านโคกมณต่างถือได้ ว, ว่าเป็นบ้านของท่านบ้านที่เชียงพินก็ยังมีอยู่ญาติพี่น้องที่เชียงพินก็ยังมีมากและที่บ้านโคกมน์ญาติพี่น้องก็ยังมีอยู่มากเช่นเดียวกันระหว่างที่ไปไปมามา มานดาพากลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านโคกมนนี้เองที่ชีวิตของหลวงปู่เริ่มโน้มน้าวไปสู่ทางธรรมมากขึ้นและมีผ้ากาสะวาพาัดเป็นบ้านปลายแห่งชีวิตในทายหลังกล่าวคือปีนั้นท่านมีอายุได้ส4บสี่ปีได้มีพระธุดงกรรมฐานองค์หนึ่งจาริศไปปักกลดอยู่ที่วัดตะคูแต่ใกล้บ้านท่าน พระธุดงกรรมฐานองค์นั้นชื่อพระอาจารย์พาเป็นติดองหนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเป็นพระที่มีจริยวัตรที่นุ่มนวลเร่งครัดในธรรมวิ น, นัยคนในหมู่บ้านรวมทั้งมารดาและญาติผู้ใหญ่ของหลวงปู่จึงมีความเลื่อมใสศรัทธาทากันไปปรนนิบัติอุปถาถวายกัปปิยะสังหันอยู่ไม่ได้ขา ตัวท่านเองก็พลอยติดตามโยมมารดาไปด้วยในฐานะที่เป็นเด็กชายแรกรล้นไหวกาลังใช้สอยจึงได้รับมอบหมายให้คอยปฏิบัติรับใช้พระประเคนของรากับว่าพระอาจารย์พาจะตั้งใจไปโปรดเด็กชายน้อยแห่งสกุลแก้วสุวันโดยเฉพาะท่านจึงได้ปักกรดยุ่ใกล้หมู่บ้านนานพอดูจนกระทั่งเด็กชายเกิดความรู้สึกสนิทสนม คุณเคยกับท่านพระอาจารย์พาเป็นอย่างดีท่านสอนให้รู้จักของควรตะเคียนและไม่ควรประเคียนเวลาว่างก็เมตตาสอนหนังสือให้บ้างและอบรมการตรวจมนภาวนาให้บ้างจึงได้เป็นการโน้มน้าวเข้าสู่ทางธรรมมากขึ้นทุกทีจนในที่สุดเมื่อพระอาจารย์เห็นนิสัยอันสงบสุขย่ำเรียบร้อย ปักไฟในทางธรรมว่าบ่มได้ที่สแสดงนิสัยวาสนาอย่างเพียงพอแล้วท่านก็ออกปากชวนไปบวช ด, ด้วยบวชกับเราไหมเด็กชายบอกก็ตอบคาเดียวสั้นๆอย่างไม่ลังเลเลยว่าชอบครับท่านถามย้ำอีกครั้งบวชกับเราแน่หรือเด็กชายบอกก็ตอบว่าชอบครับ เป็นคำตอบดินยันอย่างเด็ดเดี่ยวเด็กชายบอจึงรีกเข้าบ้านไปขออนุญาตมารดามารดาทั้งประหลาดใจและตกใจรักคนกันเหตุที่ประหลาดใจคือไม่คาดคิดว่าเด็กชายบอจะมีความคิดอักขานเด็ดเดี่ยวใจคอยจะทิ้งบ้านทิ้งแม่ทิ้งญาติพี่น้องไปได้หรือเหตุที่ตกใจก็คือเด็กชายบอในวัยเพียงเท่านี้ จะต้องจากบ้านไปเนตถินอันห่างไกลลําบากยากแค้นติดตามพระอาจารย์ไปเหมือนคนไร้ยากขาดนิดอย่างไรก็ดีท่านก็ยังพออุ่นใจได้บ้างว่าเด็กชายบ่อจะได้รับความคุ้มครองดูแลจากท่านพระอาจารย์พาเป็นอย่างดีแต่ที่จะไม่ห้หว่วงหาอะไรเลยนั้นคงเป็นไปไม่ได้อีกทั้งมารดาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ลูกชายของตนจะมีความตั้งใจแน่วแน่มั่นคงแค่ไหนจึงได้ถามย้ำแล้วย้ำอีกบวชจริงไหมบวชแน่หรือทุกครั้งไม่ไว่าจะเป็นคําถามจากมารดา ก, ก็ดีจากญาติผู้ใหญ่ที่ทราบเรื่องก็สบใจมาช่วยกันซักไซไล่เรียงก็ดีทุกครั้งจะได้รับคํายืนยันอย่างหนักแน่นมั่นคงจากเด็กชายบอกว่าชอบครับ ตอบเช่นนี้ทุกคราวไปดังนั้นในเวลาต่อมาคือเด็กชายบ่อจึงกลายเป็นเด็กชายชอบโดยประการทช่นนี้เมื่อเด็กชายผู้ชอบบวชลาโยมมารดาและญาติผู้ใหญ่ได้แล้วก็ออกจากบ้านติดตามพระอาจารย์พาไปทุกผนทุกแห่งจุดแต่ท่านจะพาไปหลวงปู่เล่า ว, ว่าตอนท่านเป็นตาปักขาวหรือผ้าขาวน้อยถือกินแด อยู่กับอาจารตีปีเต็มรับการฝึกอบรมทั้งด้านข้อวัดปฏิบัติต่างๆเช่นการปฏิบัติรับใช้ครูบ า, าจารย์หัดล้างเท้าเช็ดเท้าในเวลาที่ท่านกลับจากบินทบาทหัดพับผ้าทีวรและสังฆาติและปูผ้านิสสิทนะหัดตักน้ํากรองน้ําถวายท่านทั้งการท่องบทสวดมนต์บริกรรมภาวนาและเดินจงกรม ท่านได้ออกเดินลุกขมูลติดตามพระอาจารย์ไปอย่างทรหดกดทนไม่ว่าจะเป็นการบุกน้ำหรือโคลนบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วย่าขาวน้อยก็ไม่ได้ยอดทอด้อโดยสภาพป่าดงพงไพรอันลำบากลำเค็ญในเวลากลางวันหรือสภาพป่าเขารกชัดอันสงับเงียบน่าสยองกลัวในเวลากลางคืนท่านก็ได้ผ่านการทดสอบมาโดยตลอด ท่านสารภาพว่าสําหรับความลําบากความหวาด ก, กลัวแรกเริ่มก็มีบ้างแต่ก็ต้องพยายามอดทนด้วยความเคารพเชื่อฟังเห็นตัวอย่างจากท่านอาจารย์ความลําบากท่านทนได้ทําไมเราจะทนไม่ได้ความหน้าหวาด ก, กลัวท่านอยู่ได้ทําไมเราจะอยู่ไม่ได้อย่างท่านถ้าขาวน้อยจะนึกข่มใจอยู่เช่นนั้นเสมอ ส่วนความคิดถึงบ้านคิดถึงมารดาคิดถึงเพี่อนน้องเพื่อนปงตามราษาเด็กนั้นไม่ใช่จะไม่เคยมีบางการบางวาระเวลาเย็นย่ำคำโผลบเพลเห็นนกกาบินกลับรวงรังก็เคยเกิดความรู้สึกบัเงเวงชะเง้อหาบ้านบ้างชะเ้อหาแม่บ้างแต่ท่านก็นึกถึงความเมตตาของครูอาจารย์นึกถึงความสุขสงบในการภาวนา จึงมาข่มความรู้สึกเหล่านั้นเสียใจมันชอบภาวนามีความเยือกเย็นดีท่านเล่าเช่นนั้นอีกประการหนึ่งท่านก็คิดหลอกใจตัวเองว่าถ้าเราติดตามท่านอาจารย์ไปพบความลำบากเพียงแค่นี้ว่าเป็นทุกข์แต่ท่านอาจารย์ได้ท่ามสอนเราว่านี่เป็นหนทางที่จะทำให้พ้นทุกข์ต่างหาก ทุกใหญ่ของมนุษย์และตัดโลกนั้นท่านว่าอยู่ที่การเรียนไหวตายเกิดปราดจะต้องทาตนให้พ้นจากทุกใหญ่นี่เรายังเป็นเด็กเรายังไม่รู้จักชัดว่าทุกใหญ่นี้เป็นจริงสันใดแต่ทุกที่เราเห็นนั้นก็มีชัดอยู่แล้ว ถ้าเราจะยังอยู่กับบ้านติดบ้านติดเพื่อนติดญาติพี่น้องไม่ติดตามท่านออกไปสแสวงหาหุนทางพ้นทุกทุกที่เราเห็นชัดของเราเองนั้นเราจะมีวันหลุดพ้นจะได้อย่างไรทุกที่เด็กชายชอบหรือผ่าขาวน้อยจิ์พระอาจารย์พาได้เห็นชัดด้วยความรู้สึกเห็นจริงของท่านเองนั้นก็คือทุกขที่ท่านเห็นจากครอบครัว จากพ่อแม่ญาติพี่น้องและจากตัวเองทุกที่ต้องอยู่ย า, ยากจนญากตรากรําต้องทํานาทําไร่หากินตัวเป็นเกลียวอย่างไรก็ไม่เห็นเงยหน้าอาปากได้มาอายุเจ็ดขวบถ้าเป็นเด็กชาวกรุงก็คงจะทําอะไรไม่เป็นต้องมีพี่เลี้ยงนังนมเช่วยเหลือทําการกินการอยู่การแต่งตัวอย่างมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม แต่สำหรับเด็กชายบ่อแล้วในวัยเจ็ดปีได้ทำให้เป็นผู้ใหญ่เกินตัวท่านเล่าว่าใจของท่านคิดจะขอมีส่วนช่วยบิดามานดาหารายได้ถึงอาตาหากที่ครั่เคขายโดยเดินทางร่วมขบวนไปกับหมู่พวกที่เตรียมสินค้าไปขายที่จังหวัดอุดรไม่มีใครบังคับไม่มีใครใช้สอยว่ายวานได้อยากไปเองบดปราถนา จะให้บิดามารดาชื่นใจในความมีน้ำใจของบุตรชายผมโตท่านจำได้ว่าที่คั้งนั้นหนักมากหนักถึงกว่าสิบกิโลกรัมซึ่งเป็นน้ำหนักที่มากไม่ใช่น้อยสำหรับเด็กชายวัยเจ็ดขวบเมื่อต้องรอนแรงเดินทางจากบ้านโคกมลไปถึงเก้าวันเก้าคืนกว่าจะถึงอุดรบาสองข้างิึงแตกกระบมเป็นแผลไปหมดท่าเล่าว่า เดินทางไปขายทิช่ครั้งนี้ร่วมปีเก็บเงินได้ถึงหกบาทเด็กช้ยบ่ภูมิอกภูมิใจมากที่สามารถช่วยหาไรายได้ให้ครอบครัวได้ถึงหกบาทนี้ท่านสามารถซื้อควายให้ทางบ้านได้ถึงห้าตัวด้วยในสมัยที่ท่านเป็นเด็กนั้นวายพันอีสาน ร, ราคายังถูกมากส่วนละห้าสิบตันถึงหนึ่งบาทเท่านั้นบางทีสินค้าทิช่ครัง มีคนแย่งขายล้มตลาดเด็กชายบอกก็เลือกหาสินค้าชนิดอื่นมาขายแทนเช่นยาตูบไม้ขีดหรือขี้ใต้บางโอกาสไปไม่ถึงตัวจังหวัดด้วยเหนื่อยหนักพักขายได้แค่หนองบัวลาพูกพอแล้วท่านรู้ซึงถึงใจว่าเงินทองนั้นเป็นของหายากแท้ต้องอาบเหนือต่างน้ำอดทนกัดความสู้ตลอดมายิ่งเมื่อยมบิดาสิ้นชีวิตลง การช่วยมานดารรมาหากินยิ่งทำให้ท่านรู้ตึง้งชัดขึ้นชีวิตมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อจะทำงานเดียนวนอยู่เช่นนี้หรือเช้าขึ้นต้องออกไปไร่ออกไปนาก่อนจะเป็นนาจะต้องหักร้างถางพงขุดเผาต้นไม้ต่อไม้ตกแต่งให้เป็นคูเป็นคันนาเมื่อเป็นนาแล้วถึงหน้านาต้องไถคราดกลับดินให้หญ้าตายก่อน ต่อไปต้องใช้อีกครั้งราทั้้ดินแตกพอที่จะหว่านมาเมล็ดข้าวตกกล้าพอต้นกล้าได้ที่ก็ต้องเจ็บกล้าไปปักกล้าดำนาไห้น้ำเข้านาให้มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นกล้าให้เติบใหญ่ระหว่างต้นข้าวเติบโตออกรวงสร้างท้องอ่อนๆก็ต้องคอยระแวัระวังศัตรูข้าวเช่นเพลี้ยปูที่จะมากัดกินต้นข้าวเมื่อข้าวแกรวงพร้อมค่อมลง ต้องคอยพันน้ำออกจากนาให้นาแห้งเพื่อเวลาข้าวแก่จะได้ไม่ตกท้องน้ำระหว่างรอข้าวแกไมิใช่ว่าจะสะดวกสบายมีเวลาเพลิดเพลินเจริญใจได้เที่ยวเตร่กลับมีงานไร่ที่ต้องดูแลต่อไปเช่นปลูกถักผลไม้เผาถ่านบางปีฝนดีน้ำดีก็ได้ข้าวมากหน่อยพอกินพอเหลือขายบางปีฝนแรงน้ำน้อยข้าวเสียหายแผลจะไม่พอกิน พวกผู้คนในหมู่บ้านต้องออกไปหางานทำมาหากินอย่างอื่นเป็นการเพิ่มคูนรายได้โยมพ่อของเราก็ตายไปแล้วเรายังเป็นเด็กอยู่เคยเลี้ยงควายช่บิดามันดาทำไรไ่ไถนาแต่ต่อไปถ้ายังติดข้องอยู่อย่างนี้คงไม่พ้นเิอโตไปต้องเข้าเทียมแอดเทียมไถให้ชีวิต หมุนวนอยู่รอบกองทุกเช่นนี้อย่างไม่มีวันหยุดยั้งเหมือนควายที่เมื่อเราเลี้ยงก็ปักหลักไว้ในนาไรสายเชือกที่ปั้นเหนียวไว้ยาวเพียงระยะหนึ่งมันจะกินหญ้ากินน้ําจะถ่ายจะเล่นปลักโคลนก็วนเวียนอยู่แต่ในเพีงรัศมีของความยาวเชือก น, นั้นดูเผลอๆเหมือนว่ามันมีอิสระเสรีแต่ความจริงมันมวงชีวิตสำจำกัด อยู่รอบเสาหลักเพียงเท่า น, นั้นเองจะควันฝาออกไปให้หลุดพ้นก็ได้จินเสียงกระดิงดังมนุษย์ผู้เป็นนายก็จะหันมาขันเชือกชนะให้เกล็กแน่นไปอีกเราเป็นมนุษย์ประเสริฐกว่าตักทำไมจะยอมอยู่ในวงวัฏฏะแอบลายเชือกควายที่เราเห็นเป็นตัวอย่างหยุดทุกเมื่อเชื่อวันเราจะต้องหลุดพ้นจากกองทุกเหตได้คํานึงได้เช่นนี้ ท, ที่มานดาญาติน้องหวั่นเกรงว่าถ้าขาวน้อยจะไม่มีความอดทนเพียงพอจึงดูเป็นเรื่องเล็กน้อยไปสิ้นใจมันกระยิมคิดว่าจะข้ามล่วงวงทุกนี้ไปให้จงได้ท่านมีความเครารพพระอาจารย์พาอย่างสุดซึ้งพยายามปริบัติวัดถากด้วยความนอบน้อมถ่อมตนท่านสอนเช่นไรก็พยายามจดจํานําไปปฏิบัติ โดยเฉพาะด้านการบําเพ็ญเพียรภาวนาเมื่ออายุครบ18ปีอาจารย์ของท่านพิจารณาเห็นว่า่าขาวน้อยผู่นี้มีใจแน่วแน่มั่นคงในทางศาสนาและได้ฝึกอบรมบ่มนิสัยเพียงพอแก่ตามแล้วจึงออกปากอนุญาตใหอบรรพชาเป็นสัมเนนได้ แม้ว่าขณะนั้นจิตใจของท่านจะมุ่งมั่นไปถูแดนภาคกาสาวพักแล้วก็ตามแต่ท่านก็เป็นผู้มีความรอบคอบอยู่มากระวังใจหนึ่งฮึกเถิมว่าเราชอบบวชเราชอบอยู่ในธรรมวินัยเราจะเจริญรอยตามท่านพระอาจาร์ของเราเราจะบวชเพื่อข้ามกองทุกเราจะบวชไม่ติดเราเชื่อว่าเรามีใจแน่วแน่ต่อพระศาสนาอย่างมั่นคง แต่อีกใจหนึ่งอันเป็นวิสัยของปราผู้ชลาดมีคว า, ามรอบคอบประมัดระวังกะกล่าวเตลอนใจตนเองว่าท่านอาจารย์ของเราสอนว่าทิศของมนุษย์นั้นกลักกรอกเชื่อยากวันนี้เราว่าเราจะบวชแน่นอนจะบวชไม่สึกแต่เราก็ออกมาสู่ร่มเงาของศาสนาแต่เล็กแทบจะไม่ได้เคยพบเห็นชีวิตตามปกติของคารวะนิสัยของคนหนุ่มสาวเลยถ้าเราบวชไปแล้ว กลับไปพบสิ่งที่ยั่วยวนชวนกิเลสให้มันยอกย้อนซ่อนกลนเอาเล่าเราจะทำถันใดเราไม่ถูกมันพยาำประนำเอาเจนโง่หันีขึ้นหรือดังนั้นก่อนที่จะปรงชีวิตสู่เพศพรหมันร์รวางเป็นผ้าถาวท่านจึงเรียนขออนุญาตพระอาจารย์ของท่านกลับมาบ้านชั่วคราวขอใช้ชีวิตภารวา่า เป็นการทดสอบความมั่นคงของจิตใจให้แน่นอนก่อนทาได้กลับมาทดลองใช้ชีวิตสนุกสนานกับเพื่อนรุ่นราวเราวเดียวกันระยะหนึ่งคนหนุ่มคนสาวเขาสนุกสนานตื่นเริงกันอย่างไรก็ลองทำตามเขาดูบ้างว่าเราจะหลงหัวปักหัวปำไปกับเขาไหมหรือว่าต่อไปหากบวชแล้วเกิดมีกิเลสกล้ามกลายมาเรารมลึกได้ว่า เคยผ่านมาแล้วเราเคยปล่อยสละกสละตัวขาดมันไปแล้วเราจะไปหวนหาอะไรมันได้อย่างไรสมัยนั้นเป็นที่นิยมกันว่าเด็กนมนมจะต้องมีรอยสักตามแขนตามขาเป็นลายดําอวดกันจึงจะถือว่าเป็นชายชาตรีใครตัวขาวปล่าวเปลือยไม่มีรอยสักดําอวดกันก็ถือว่าไม่ใช่ชายผู้สาวจะไม่สนใจผู้สาวจะไม่ฮัก เพื่อนปงกันหนนว่าท่านต้องสักบ้างด้วยไม่งั้นผู้สาวไม่ฮักเดอ้อท่านเล่าว่าท่านก็เลยตามใจเพื่อนยอมไปสักบ้างกับเขาบ้างที่แขนและขาตกลงค่าจ้างกันว่าให้สักเป็นรูปตัวมอมหลายราชสีที่หาทั้งสองข้างข้างละหนึ่งตัวเขาคิดค่าจ้างหนึ่งบาทเงินหนึ่งบาทสมัยนั้นเป็นจํานวนที่ไม่ใช่น้อย แต่เด็กนมชอบก็ยินยอมทดลองดูท่านให้ตักเสร็จขาข้ า, างเดียวคือขาข้างซ้ายพอเริ่มตักขาข้างขวาต่อไปได้นิดเดียวก็รู้สึกเจ็บมากขึ้นเห็นว่าจะทนเจ็บไปทําไมเพื่ออะไรเพื่อที่เขาเห็นเขานิยมกันว่าเพื่อโก้เพื่อหรูนี่เหรอที่จริงมันเป็นของไม่มีแก่นสานไม่เป็นสาระส่าหากท่านก็เลยให้เขาหยุดตักว่านต่อ คงตักหาลายเสร็จไปเพียงข้างเดียวและเสียค่าจ้างเพียงห้าสิบตารางเท่านั้นเพื่อทดสอบจิตใจต่อท่านก็ลองตามกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวบ้างเห็นเพื่อนไปเที่ยวสวนเสเฮหาคุยหยอกล้อ ก, กันตามบ้านผู้สาวท่านก็ตามไปกับกลุ่มเพื่อนประเพณีแถบจีสานมีการแอวสาวจบสาวซึ่งหมายความว่าไปล่วงเกินสาว ก็จะมีบทตรัพยผีเสียผีซึ่งบางรายอาจจะจบลงด้วยการแต่งงานอยู่กินกันได้อย่างไรก็ดีหลวงปู่เมื่อเป็นเด็กชายวัยสิเจ็ดปีกว่าก็ได้ลิ้มชิมรสชีวิตหน่มกับเขาบ้างเหมือนกันท่านเล่าอย่างขนขันว่าท่านก็ได้ตามเพื่อนไปแอลสาวไปจกสาวไปล่วงเกินเขาตามอย่างเพื่อนแต่เขาว่าท่านเป็นล่วงเกินเขาเขาจะเอามีดฟันหัวเอา โอ้ชีวิตภารวะามันชัางเป็นทุกอย่างนี้นี่เองมันขัดข้องวุ่นวายอย่างนี้นี่เองไม่เห็นเป็นสาระแก่นสามแต่อย่างใดเลยไม่มีทางที่เราจะยินดีกับชีวิตที่หมกมุ่นวุ่น ว, นวายจมกองมูดกองคูดอย่างนี้แน่นอนเกิดความแน่ใจตนเองเช่นนั้นท่านก็กลับไปกราบท่านอาจารย์ของท่านด้วยความล้ำยองของแท้ ใช้ชีวิตภาคขาวต่อไปยังมองเห็นธงไทยในชีวิตบรรพชิตครออยู่เบื้องหน้าเมื่อท่านอายุย่างเข้าสิบเก้าปีพระอาจารย์พาได้จัด ก, การดูแลให้ภาขาวติดรับด่บรรพชาเป็นสามเณรณวัดบ้านนาแก่บ้านนากลางอำเภอหนองบัวลำพูจังหวั ด, ดอุดรธานีด้วยเป็นวัดใกล้บ้านสัพพิลุงของท่านผู้เป็นพี่ชายโยมมารดา มีหลักฐานบ้านช่องอยู่อัฐ บ, บริหารนั้นโยมมันดาและยายช่วยกันจัดหาให้ด้วยความศรัทธาท่านใช้ชีวิตระหว่างเป็นสามเณรอยู่ถึงสี่ปีกว่าโดยท่านพระอาจารย์พาไม่ได้หวงแหนให้ติศึกษาอบรมอยู่กับท่านแต่ผู้เดียวท่านได้หิสิิออกไปศึกษาธรรมกับครูบาอาจารย์สำนักต่างๆเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้แต่ฐานกว้างขวางขึ้น หลวงปู่จึงได้มีโอกาสไปกราบเรียนขอปฏิบัติกับพระอาจารย์องค์อื่นๆบ้างเช่นพระอาจารย์สุวรรณสิกินโนวัดโยธานิมิตเป็นอาธิครั้นเมื่อท่านมีอายุครบยี่สิบสามปีบริบูรณ์จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดสามโคซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่าวัดศรีธรรมารามอำเภอเมืองยะโสธรซึ่งขณะนั้น ยังเป็นอำเภอหนึ่งอยู่ในจังหวัดอุบอนราชธานียังไม่ได้ตั้งขึ้นเป็นจังหวัดยะโสธรเช่นทุกวันนี้หลวงปู่บวชเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมปีพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดมีพระครูวิจิตโสธนาจารย์เป็นพระอุปัชฌายะพระอาจารย์แดงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่าฐานะสมรทันเมตาล่อใฟังว่า ท่านไม่ได้มีนิสัยสนใจทางการศึกษาด้านปริยัติธรรมมากนะักแม้การท่องพระปาฏิโมกข์นั้นท่านใช้เวลาเรียนท่องถึงเจ็ดปีจึงจำได้หมดรู้ความจะไม่ได้ท่องจำท่านว่าอย่างนั้นเมื่อกราบเรียนถามว่าเหตุใดหลวงปู่จึงใช้เวลานานนะักท่านกะตอบอย่างขันขันว่านานๆท่องเทือนหนึ่งบางทีกสองเดือนท่องเทือนหนึ่ง บางทีก็สามเดือนท่องเทือนหนึ่งสงใจภาวนามากกว่าท่านแต่รภาพว่าท่านดื้อดำในการภาวนามากกว่าท่านใช้คำบริกรรมพุทธโธอย่างเดียวมิได้ใช้อานาปนานสติหรือกําหนดลมหายใจเข้าออกควบคู่กับพุทธโธเลยอัทนที่จริงเพียงบริกรรมพุทธโธอย่างเดียวก็นับว่าเป็นการเพียงพอแล้วสําหรับผู้พิบุคคลเช่นหลวงปู่ ท่านบริกรรมไม่นานจิตก็จะรวมลงสู่ความสงบให้ความรู้สึกดื่มดำลึกซึ้งในความสงบอย่างบอกไม่ถูกสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้สิ่งที่เป็นของอาสาธรรณะแก่ปุถุชนธรรมดาก็กลับปรากฏขึ้นเป็นที่หน่าอกจันทร์อย่างยิ่งท่านเล่าว่าจิตของท่านรวมลงสู่ความสงบได้โดยง่ายมาก และเกิดความรู้พิสดารการนี้เริ่มปรากฏแก่ท่านตั้งแต่ขณะที่ท่านยังเป็นสามเณรอยู่ท่านสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกนึกลับได้ดีเกินกว่าสายตามนุษย์สามัญจะรู้เห็นได้ได้ล่วงรู้ความคิดความนึกในจิตใจของผู้คนไม่ได้นึกอยากเห็นก็เห็นขึ้นมาเองไม่ได้นึกอยากรู้ก็รู้ขึ้นมาเองรวมทั้งการรู้เห็นสิ่งแปลก เช่นพวกกายทิพย์คือเทวบุทินพรมยมยักษ์นาครดุดหรือการรู้วาระจิตคนอื่นที่เขาคิดเขานึกอยู่ในใจก็สามารถได้ยินชัดสิ่งเหล่านี้แรกแรกที่เกิดขึ้นท่านกะตกใจทั้งประหลาดใจแต่เมื่อเป็นมาระยะหนึ่งได้รู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือภาพมิมิดก็ระงับสติได้มีสติว่ามีเป็นเรื่องทิ่สะ د แต่ไม่ควรจะให้ความสนใจมากนะนี่เป็นเหตุหนึ่งที่เมื่อได้บวชเป็นพิษุแล้วท่านก็บากบันมุ่งมั่นต่อไปในแดนพุทธานาจักอย่างไม่ย่อท้อครูบาอาจารย์ก็ช่วยให้ความมั่นใจว่าเมื่อท่านเป็นผู้มีนิสัยวาสนาทางนี้แล้วก็ควรจะเร่งทำความเพียรต่อไปไม่ควรให้ความสนใจต่อสิ่งที่เป็นเหมือนแขกภายนอกเหล่านี้ อย่านึกว่าตอนเป็นผู้วิเศษผู้เก่งกล้าอะไรผู้ใดมีวาสนาบารมีสร้างสมอบรมมาอย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้หากเรานำเอ า, มาเมล็ดมะม่วงมาเพาะปลูกลงดินรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้นั้นไปวันหนึ่งก็จะออกดอกออกช่อให้ผลเป็นมเมล็ดมะม่วงแม้ไม่เคยปลูกมะม่วง แต่จะนั่งประดิกเท้ารอให้เกิดต้นมะม่วงมีผลมะม่วงขึ้นมาเองก็ไม่ได้เช่นเดียวกันท่านเป็นผู้มีวาสนาบารมีธรรมสร้างสมมาแต่บรรพชาติจิตจริงเกรียงไกรมีอนุภาพแต่ก็ควรจะประมาณตนอยู่เพราะความรู้เหล่านี้ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของผู้กระทำความเพียรภาวนานักปรัสจะไม่มัวหลงงมงายอยู่กับความรู้ภายนอก อันเป็นโลกิ ย, อยาอภิญญาชุดไม้กลายทางของนักปราราชบันฑิตนั้นอยู่ที่การกาจัดอาตวกิเลสที่มักดองอยู่ในกมลและสันดานของเรานั้นให้หมดไปสิ้นไปโดยไม่เหลือแม้แต่เชื้อต่งหากหลวงปู่ได้น้อมรับคำสอนเตือนสติของครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพแม้หมู่เพื่อนๆจะมีความเกรงใจท่านอยู่มาก แต่ท่านก็มีความเฉื่อมเพียมตัวอยู่นิกได้นึกเหินเหิมปวดตัวแต่ตระการใดระยะแรกๆท่านเตินไปด้วยความระวังตัวโดยไม่แน่ใจว่าบางครั้งภาพที่ปรากฏให้ท่านเห็นนั้นจะมีผู้อื่นเห็นเหมือนกับท่านหรือไม่หากเขาปรากฏให้ท่านเห็นเพียงผู้เดียวการทักทายปราใยหรือการสนทนาจะอาจจะทําให้ถูกมองเหมือนเป็นคนบ้า คนประหลาดพูดคุยคนเดียวก็ได้ท่านจึงเป็นผู้สงบเสฉยไม่ค่อยสูงสิ่งกับใครมากนักด้วยได้ใช้ภาษาใจได้อย่างเป็นประโยชน์มากกว่าอย่างไรก็ดีต่อมาท่านก็ทำนานในการนี้มากขึ้นจนรู้ได้ทันทีว่านี้เป็นนิมิตหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันนั้นท่านก็คิดหมายมากว่าท่านจะต้องเร่งโอกาสความเพียรพยายามต่อไป โดยไม่ประมาทแม้จะเป็นนวากพภิกษุคือภิกษุผู้บวชใหม่แต่หลวงปู่ก็ได้ผ่านชีวิตการทุ ด, ดงมาหลายปีแล้วเริ่มแต่ระยะที่ท่านอาจารย์พาดำเนินมาในฐานะภาคขาวสี่ปีและต่อมาในฐานะสมณะอีกสี่ีฉะนั้นเมื่อบวชแล้วอยู่รับการอบรมจากพระอุปัชฌายะและพระกรรมวาจารให้รู้จักพระธรรมยินย ได้รู้จักพระธรรมวินัยให้พอรักษาตัวก็ไล่จะถึงเวลาเท่าพรนษาพรรษาแรกในพุทธศักราช2468ท่านจึงขอต่ออุปชายยะไปจำพรรษาอยู่ณวัดปานาคำใหญ่ซึ่งเป็นวัดป่าเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลาจากวัดต่างโศกที่พระอุปชัยยะของท่านอยู่จาพรรษาณนะ เพราะตาอยู่ในเขตอำเภอแจ้โสอนด้วยกันเมื่อออกพรรษาแล้วท่านจึงได้ทุ ด, ดงไปตามป่าเขาใกล้เคียงถึงพรรษาที่สองเมื่อปีพศ2469ท่านไปจำพรรษาที่วัดศรีมงคลเหนืออำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพ น, นมซึ่งปัจจุบนันนี้ได้แยกออกเป็นจังหวัดมุกดาหารแล้วระยะนี้ยากถี่น้องโดยเฉพาะโยมมารดา ได้ขอร้องให้ท่านได้มาโปรดบรรดาญาติมิตรบ้างดังนั้นในพรรษาที่สาพุทธศักราช2 4 7พเจดหลวงปู่จึงได้เดินทางกลับมาจังหวัดปุดรธานีมาจาพรรษาณวัดป่าหนองบัวบานอำเภอเมืองซึ่งไม่ไกลจากอำเภอเชียงพินบ้านที่อยู่ของบรรดาญาติพี่น้องของท่านเท่าใดนักวัดป่าหนองบัวบานนี้เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมหนองน้าใหญ่ แต่ไม่ใช่วัดเดียวกับวัดป่านิโคทารามบ้านนองบัวบานที่หลวงปู่อ่อนยา น, นาเจริเพื่อนสหธรรมิกของท่านตร้งในภายหลังณนะวัดปานนองบัวบานแห่ง น, นี้เองนอกจากจะเป็นที่ภาวนาอย่างดีแล้วหลวงปู่ยังได้มีโอกาสพบเพื่อนภิกษุรูปหนึ่งซึ่งในชีวิตสมณะเพศอันยาวนานในภายหลังต่อมา เกือบหกสิบพันษานั้นได้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันตลอดมาภิกษุรูปนั้นแม้จะมีอายุมากกว่าท่านกว่าสิปตีแต่มีพันษาอ่อนกว่าท่านเล็กน้อยก็ไม่ได้ถือตัวประการใดคงใกล้ชิดสนิทสนมร่วมปฏิบัติธรรมสนทนาธรรมและเปลี่ยนธรรมสาติฉาต่อกันเป็นอย่างดีพิกษุท่านนั้นมีนามว่า หลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนนั่นเองปกติของหลวงปู่เป็นผู้เงียบเขึมพูดน้อยไม่ค่อยสนิทกับใครง่ายๆอีกในหนึ่งท่านเป็นผู้เลือกคบมิดเมื่อท่านได้พบหลวงปู่ขาวได้เห็นความตั้งใจเพียงพยายามความเป็นนักปราศของหลวงปู่ขาวและในเวลาเดียวกันหลวงปู่ขาวก็ได้เห็นความตั้งใจมั่นในการปฏิบัติธรรม ความเป็นปราดอภิญญาของหลวงปู่ทั้งสองท่านจึงต่างเคารพในธรรมของกันและกันเป็นกัลยาณมิตรเสื่อเฟื้อต่อกันท่านได้จำพรรษาอยู่ร่วมกันณวัดป่าหนองบัวบานถึงสามพรรษาจากปีพุทธศักราช2470ถึง2472ได้มีผู้เปรียบหลวงปู่ขาวและหลวงปู่ชอบว่าเสมือนพระสารีบุตรและพระโมกขลานะ สาเหตุหนึ่งที่ทำใมีการสหล่ากันเช่นนั้นคงจะเป็นด้วยในระยะแรกที่ท่านทั้งสองรู้จักกันจำพรรษาเบียกันนั้นท่านทางแสดงความประสงค์ที่จะก้าวล่วงกองทุกข์เหงได้แต่ก็กำลังสแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะช่วยสอนสั่งขัดเกลากมลและสันดานและชี้แนะทางพ้นทุกอย่างถูกต้องได้เหมือนอย่างพระสารีบุตรและพระโมคขลัมนนะ ที่กำลังเป็นผู้แสวงหาครูอาจารย์แต่ยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าหลวงปู่ขาวและหลวงปู่ชอบระหว่างพรรษาแรกที่หนองบัวบานก็กําลังแสวงหาครูอาจารและยังไม่ได้พบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตมหาเถระหลวงปู่ขาวและหลวงปู่ชอบต่างเป็นสหายปฏิบัติธรรมจมพันรรษาอยู่วัดเดียวกันชอบพออุปนิสัยเึ็นกันและกันต่างให้สัญญาต่อกันว่า ถ้าหากใครได้พบพระอาจารย์มั่นก่อนก็ขอช่วยบอกกันด้วยสําหรับหลวงปู่ขาวและหลวงปู่ชอบเมื่อองค์หนึ่งคือหลวงปู่ชอบได้มีโอกาสกราบพระอาจารย์มั่นท่านก็ชวนให้หลวงปู่ขาวเพื่อนของท่านได้ไปกราบครูบาอาจารย์บ้างท่านได้เป็นกะะนนัลยาณมิตรต่อ ก, กันตลอดมาได้เดินทุ ด, ดงด้วยกันเมื่อต่างได้มากราบท่านพระอาจารย์มั่นถาวายตัวเป็นติดรับคําสอนจากท่านแล้ว ก็แยกกันออกไปปฏิบัติธรรมตามจริยนิสัยของแต่ละองค์บางเวลาก็ร่วมเดินทูดดงเชิญความเป็นความตายด้วยกันบางเวลาก็ออกไปหาสัจธรรมบางเวลาก็ติดตามครูบาอาจารย์ไปทางภาคเหนือด้วยกันเป็นจิปีก่อนจะชวนกันกลับมาภาคอีสานบ้างเกิดด้วยกันบำเพ็ญธรรมเพื่อประโยชน์ตนเองและหมูคนะ่คณะ แล้วก็สั่งสอนสาธารณิตของแต่ละท่านในหลักธรรมอันเป็นแนวเดียวกันตั้งแต่หนุ่มจนย่างเข้าไวเชาราแต่เมื่อเป็นผู้สแสวงหาจนเป็นผู้ปล่อยวางได้รับความเคารพเลื่องใสตัถาจากประชาชนทั่วประเทศเช่นเดียวกันท่านได้พบปะเยี่ยมเยียนกันแสดงธรรมตากรฉาต่อกันเป็นนิสให้บรรดาศิษย์ได้มีโอกาสกราบบูชาพระคุณเจ้าทั้งสอ ง, สองคู่กัน จนกระทั่งองค์หนึ่งพระคุณเจ้าหลวงปู่ขาวอนาลโยได้ล่วงลับดับขันนิพพานไปก่อนเมื่อวันที่16บฤกษภาคมพุทธศักราช5 2 6เมื่อลวงปู่บวชแล้วถึงสี่ปีจึงได้มีโอกาสพบท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัพโซความจริงพระอาจารย์พาก็เป็นจิตองค์หนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่นท่านเคยเคารพเลื่อมใสพระอาจารย์พาอาจารย์ของท่านมาก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 ฉลาดรอบรู้ในการเทศนาธรรมมากอยู่แล้วแต่ท่านพระอาจารย์พากล่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นอาจารย์ของท่านนั้นฉลาดรอบรู้ในการเทศนาธรรมได้กว้างขวางพิจานมากที่สุดท่านว่าพระอาจารย์ภาอ่านใจคนได้มากอยู่แล้วแต่ท่านพระอาจารย์ภายืนยันว่าท่านพระอาจารย์มั่นอาจารย์ของท่านอ่านใจคนดักใจคน รู้จิตใจคนได้ทุกเวลาทุกโอกาสมากที่สุดท่านพระอาจารมั่นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบซึ่งในสมัยนี้ยากที่จะพบพระผู้เป็นพระอันประเสริฐผู้เป็นนามบุญอันเลอิอยากจะหานามบุญใดมาเปรียบเทียบได้ควรที่ผููในใจฝ่ายทางธรรมอย่างเท่านี้จะได้ไปกราบกรามขอถวายตัวเป็นศิษย์ ร้านหลวงปู่ได้ฟังก็อดคิดแปลกใจไม่ได้ว่าในโลกปัจจุบันนี้ยังจะมีบุคคลผู้ประเสริฐเลิอล่อลอยเช่นนี้อยู่อีกหรือแต่เมื่ออาจารย์ของท่านบอกไว้ท่านจะจดจำไว้คอยสำเนียบฟังข่าวท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ตลอดเวลาและต่อมาเมื่อปลารค ก, กับใครกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านพระอาจารย์มั่นก็ดูจะเป็นที่เรื่องลือระบือมากขึ้น ท่านจึงคอยหาโอกาสจะเข้าเปกราบถวายตัวเป็นติชอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่ท่านบวชจำพรรษาอยู่ทางยะโสธรหรือนครพ น, นมก็ได้ข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นพักบําเพ็ญอบรมพระเนนอยู่ที่อุดรธานีและหนองคายเพราะท่านมาอุดรธานีก็ได้ข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นออกจากอุดรเที่ยววิเวกไปตามหมู่บ้านแถบอาเภอวาริชภูมิ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 อำเภอต่ออำเภอก็ยังไม่ค่อยมีมีแต่ทางเกวยนทางเดินเท้าโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์มั่นพาอบรมพระเนนในหมู่บ้านที่อยู่ตามป่าตามเขาการคมนาคมก็ยิ่งลำบากยากแสนเข็ญมากไปอีกการเดินทางต้องเป็นไปด้วยเท้าเป็นส่วนใหญ่แต่ในที่สุดหน้าแหลงนั้นหลวงปู่ก็ได้มีโอกาสไปปราบท่านพระอาจารย์มั่น ณักเสนาะตะป่าบ้านสามผงอําเภอศรสีสงครามจังหวัดนครพ น, นมท่านพระอาจารย์มั่นภักอบรมพระเนนอยู่ที่หมู่บ้านตามเขตอําเภอต่างๆในจังหวัดสกลนครพอสมควรแล้วท่านก็เที่ยวต่อไปเข้าไปในเขตจังหวัดนครพ น, นมโดยเฉพาะที่อําเภอศรสีสงครามซึ่งยังมีหมู่บ้านที่เต็นไปด้วยป่าดงพงทึบอยู่มาก เช่นที่บ้านโนนแดงดงน้อยคำนกกกเป็นต้นและท่านก็มาหยดอยู่ที่บ้านสามผงซึ่งเป็นที่หลวงปู่ได้โอกาสเหมาะพอดีท่านเล่าว่าการเข้าไปกราบน้ัมการท่านพระอาจารย์มั่นครั้งแรกพอวางบริขารลงกระโดนท่านดุ ล, ลั่นกะเพิดให้ออกจากสำนักทันทีท่านตกใจและงงโดยมทราต้นสายปลายเหตุแต่อย่างใด ระวังกำลังชื่นชมความเงียบสงับ ส, สงบร่มเย็นของสถานที่เห็นภาพพระเนรกำลังอยู่กันอย่างสำรวมระวังตัวจูจู ก, ก็เหมือนถูกสายฟ้าฟาบลงมายัางไม่มีวิวแววพายุฝน ล, ลงหน้าท่านเอ็มยังไม่เคยทราบนิสัยท่านพระอาจารมั่นเมื่อท่านอาจารย์ไม่ให้อยู่ก็กราบลาท่านไม่ได้นึกโตเถียงขัดแย้งอะไรท่านเล่าว่า ท่านกลัวท่านพระอาจารย์มั่นมากเกินพูดอะไรไม่ออกบอกอธิบายไม่ถูกได้แต่เก็บบาตและบริขารเสร็จแล้วก็เดินทางไปในสมัยนั้นล้อมรอบที่พักพระอาจารย์มั่นจะมีสำแนักที่พักของพระอื่นๆอยู่ในบริเวณไม่ห่างไกลนะักด้วยท่านไม่ชอบให้มีพระอยู่ในเขตสำนักของท่านมากนะักโดยมากจึงมักจะหาสำนักที่พัก ให้หางออกไปพอสมควรในเขต ร, ระยะที่พอจะมาฟังเทศฟังอุบายธรรมจากท่านโดยสะดวกเท่านั้นดังนั้นหลวงปู่จึงไปพักอยู่ที่อีกกำนักแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักด้วยความเหมาะสมดังกล่าวแล้วและอีกประการหนึ่งถ้าจะไปต่ออีกก็เมื่อค่ำแล้วท่านกะว่าจะค้างสักหนึ่งคืนก่อนตอนเช้าฉันเจ็จแล้วค่อยออกเดินทางต่อไป ร่วงขึ้นวันใหม่หลังจากที่ฉันเช้าเสร็จแล้วคณะเก็บบริขารเตรียมตัวจะออกเดินทางพอดีมีพระเนนสองรูปเข้ามาเรียกท่านว่าพระอาจารย์มั่นให้มาตามท่านกลับไปท่านให้มาตามกลับไปครับพระเนนยืนยันเมื่อหลวงปู่สงสัยดังนั้นหลวงปู่จึงตกลงใจกลับไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อกลับไปถึงกราบท่านพระอาจารย์มั่นครั้งที่สองนี้ ดูท่านเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกับครั้งแรกท่านทักทายพูดคุยด้วยดีมีเมตตายื้นแย้มจ่มใสไม่มีกิริยาดุ ด, ดันเหมือนวันแรกถ้าจะเปรียดดังท้องฟ้าซึ่งเมื่อวานมีพายุใหญ่เมฆฝนเมือดดำวันนี้ท้องฟ้ากวัาปลอดโปร่งจ่มใสพอสมท่านมาปราศัยซักถามความประสงค์การบาเพ็ญภาวนาที่ปฏิบัติมาเรียบร้อยแล้วท่านพระอาจารย์มั่น ก็บอกให้พระเนนจักกุติที่พักให้เป็นอย่างดีไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเหตุใดในครั้งแรกท่านพระอาจารย์มั่นจึงแสดงิริยาเหมือนรังเกียจไล่หลวงปู่แต่เพียงเช้าวันรุ่งขึ้นก็ให้คนมาตามหาและแสดงความเมตตาสนิทสนมคุ้นเคยเป็นอย่างดีเคยกราบเรียนถามหลวงปู่ท่านก็ยิ้มยิ้มไม่ตอประการใดติดรุนหลังบางคนเชื่อว่า อาจเป็นด้วยครั้งแรกท่านมองเห็นถลกบาทของหลวงปู่เป็นสีจัดจ้านและเป็นดอกดวงด้วยในสมัยระยะแรกนั้นพระกรรมฐานยังเพิ่งปรากฏอัรธบริขารเช่นตบงชีวรก็ยังไม่ได้เคร่งครัดในเรื่องของสีแกันขนนปรากฏในประวัติภายหลังว่าแม้หลวงปู่อ่อนยานนาสิริและหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวันหนึ่งเมื่อท่านทั้งสองกลับจากทุดง มากราท่านพระอาจารย์มั่นก็ถูกท่านทักทันทีว่าพระเจ้าชู้ได้ความว่าท่านทั้งสองใช้จีวรสีฉูดฉาดดังที่มีขายทั่วไปในตลาดต่างสังหวัดิดังนั้นต่อมาภายหลังศิดสายท่านพระอาจารย์มั่นทุกองค์จึงสังวรระวังเรื่องเครื่องอัฐาบริขารมีให้ถูกทำิีจากครูบาอาจารย์เลย หลวงปู่เพิ่งจะเข้าไปกราบท่านไม่ต้าเรื่องราวเหล่านี้ถลกบาทนั้นก็ซื้อหาเอาจากตลาดต่างจังหวัดซึ่งมักจะเป็นร้านที่ไม่ได้พิถีพิถันระวังเรื่องสีสันซัจกจะว่ามีผ้าอะไรก็เย็ดเย็บขายเหตุนั้นถลกบาทรพระที่วางขายโดยมากจึงมีสีสันฉูดฉาด ต, ตาและบางทีก็เป็นดอกเป็นดวงไม่งามตาควรแกสมณะเพศ เมื่อหลวงปู่ใช้ของชง น, นั้นถึงถูกท่านดุและไล่หนีครั้งต่อมาท่านพระอาจารย์มั่นพิจารณาเห็นว่าพระหม่ผู้นี้คงไม่ตั้งใจจะกระทําไม่ถูกต้องและอนาคตต่อไปจะเป็นสิตสำัญของท่านผู้หนึ่งท่านจึงให้ไปตามกลับมานั่นเป็นข้อสันิฐานประการหนึ่งแต่ก็มีหลายท่านเชื่อกันว่าเป็นอุบายลองใจของท่านพระอาจารย์มั่น ท่ท่านมักจะใช้ทดสอบจิตใจจิตของท่านบางคนเคยมีสิทของท่านบางองค์เล่าให้ฟังว่าแม้ท่านจะถูกทดสอบเช่นนี้หลายครั้งโดยท่านพระอาจารย์มั่นไล่ให่หนีไปเมื่อท่านเจ็บบาดเจ็บที่วรมากราบลาท่านพระอาจารย์มั่นจะทำหน้าเฉยถามว่าจะไปไหนใครบอกให้ไปเมื่อเป็นเช่นนั้นหลายครั้งหลายคราจึงได้ความว่า เป็นอุบายของท่านที่จะทํากิริยาดุคูเข็นคํารามดูจิตของสิทธิ์ว่าจะอ่อนราบเคารพครูบาอาจารย์มั้มหรือเมื่อถูกดุถูกว่าก็จะโกรธแสดงความอาฆาตซึ่งถ่าเป็นเช่นนั้นก็จะถูกเขี่ยวหรือกํำราบหรือทรมานให้จิตดวงนั้นอ่อนชีโรราบลงดังได้กล่าวแล้วว่าล้มปูจากบ้านออกไปถึงสินแปดเป็นผ้าหท้าน้อย ถูดงไปกับท่านอาการพาตั้งแต่อายุสิบสี่ขวบกลับมาบ้านชั่วคราวสั้นๆก็ไปเป็นผ้าขาวอีกและได้ออกบวชเป็นสามเณรจนกระทั่งเป็นพระภิกษุตลอดช่วงเวลาสิบกว่าปีนี้แทบจะไม่ให้มารดาพี่น้องได้ชื่นชมโดยใกล้ชิดเท่าไหร่เมื่อท่านยอมมาจำพรรษาที่วัดตาหนองบวัวบานจังหวัอดอุดรธานีเมืองเดียวกับตาบลเชียงพินบ้านที่ญาติพี่น้องทานักอยู่ โยมมารดาจึงดีใจด้วยได้มีโอกาสไปปฏิบัติวัดถากพระได้บ้างระหว่างที่มารดามาถวายจังหันหรือฟังเทศที่วัดก็ดีหรือเมื่อพระได้ไปเทศโปรดที่บ้านก็ดีหลวงปู่ก็ได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณโยมมารดาผู้เป็นบุพการีของท่านเป็นปกติหลวงปู่ได้ให้ความอนุเคราะห์ท่านผู้เป็นพรหมผู้เป็นครูอาจารย์คนแรกของท่าน ตามแก่สมณะเพศวิสัยโดยท่านเทศกล่อมกล่าวจิตของโยมมานดาเพิ่มคูณศรัทธาบารมีในทัพพุทธศาสนาแต่แรกโยมมานดาได้มารักษาศีลแตกอยู่ด้วยที่วัดก่อนสุดท้ายคันเมื่อศรัทธาปรสสาพะของท่านเพิ่มคูณมากขึ้นเห็นทางสว่างทางด้านศาสนาโยมมานดาก็ปลงใจจะสละเพศคารก้นผมบวชเป็นชีลุงปู่เล่าว่า ท่านไม่ได้พูดจาเป็นเชิบงบังคับชักจูงให้โยมมานดาของท่านบวชแต่อย่างใดเลยโยมมันดาเกิดสรัทธาขอบวชเองโ่อเป็นผลในการภาวนาประจักษ์ใจใจของท่านแล้วโยมมันดามาจำพรรษาที่วัดป่าหนองบัวบานถึงสองพรรษาเป็นโอกาสอันดีที่หลวงปู่จะทำหน้าที่บวช ท, ที่ดีตอบแทนพระคุณบุพการีโดยบินทบบาทมาได้ แแบ่งให้โยมมารดาก่อนมีเวลาเทศนาสอนในการภาวนามารดาจะน้อมใจเชื่อและกระทำตามจนเกิดความอศัศจรรย์ในจิตทำให้มีศรัทธาเชื่อมั่นในธรรมยิ่งขึ้นการภาวนาของโยมมารดาเป็นผลกระทั่งในเวลาต่อมาได้ประสบภาพมิมิ์เป็นผลช่วยให้ชีวิตของนุก๊กโปผ่านพ้นอันตรายมาได้ยางอศัศจรรย์ยิ่ง ซึ่งจะได้กล่าวถึงในภายหลังโยมมารดาของท่านพบความสุขสงบในเพศธรรมจรรันทร์รู้จักทางภาวนากระทั่งบอกหลวงปู่ไม่ต้องเป็นห่วงช่านท่านรู้และให้พระลูกชายทุดงเที่ยววิเวกไปได้ตามใจทนจากไปอ ย, ย่างสงบระหว่างหลวงปู่ไปเที่ยววิเวกที่พมา่าในปีพุทธศักราชสองันรอเอันเป็นพรรษาที่หกของท่านนั้น เดิมหลวงปู่คิดว่าท่านจะจากวัดป่าหนองโบบาลที่จําพรรษามาถึงสามปีติดต่อกันนี้แล้วไปพักจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นแต่ท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้หนีจากหมู่คณะไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วตั้งแต่ในปลายปีสองพันสี่รอยเจ็สิบสองส่วนที่หลวงปู่จะกลับมาจําพรรษาที่วัดป่าหนองโบบาลดังเดิมท่านก็คิดว่า หลังจากที่ได้จำพันษามาถึงสามปีติดต่อกันแล้วก็ควรจะหาที่สงัดฤดเวแห่งใหม่ต่อไปเพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นเมื่ออยู่ที่ใดนานๆก็มักจะมีความสนิทสนมคุ้นเคยต่อบคุคคลในละแวดนั้นต่อสถานที่บริเวณนั้นอย่างที่เรียกกันว่าติดตะกูลติดพินติดที่อยู่พระผูดงจะต้องระมัดระวังม่ให้เกิดอาการติดตะกูล ติดทึ้งติดที่อยู่ขึ้นได้เพราะจิตซึ่งปติมักจะพอใจสยกต่อความคุ้นเคยสะดวกสบายอยู่แล้วเมื่ออยู่ที่ใดนานๆก็จะคุ้นกับญาติโยมคุ้นกับสถานที่จิตก็จะยอมลงต่อกิเลสอมช่อมกับกิเลสไม่เป็นอันพยายามทําความภาคเพียนชอบอาหารรสชาติอย่างไรญาติโยมก็จ ะ, ะแถลงหามาถวายชอบเสนาตะเข่นไร สะดวกสบายอย่างไรอยากยมก็จะจัดสร้างถวายจิตที่เคยว่องไวปราดเปรียวก็จะซุกตัวเงียบลงเงียบลงจนขนาดที่เรียกกันว่าภาวนาไม่ขึ้นภาวนาไม่ก้าวหน้าหรือความจริงคำว่าไม่ก้าวหน้าก็คือถอยหลังนั่นเองถอยหลังไปถอยหลังมาสุดท้ายก็ถึงกับต้องศึกหาหลาเพศไปก็มาก ดังนั้นท่านเล่ากันว่านักภาวนาจะต้องเป็นผู้ไม่ติดตระกูลไม่ติดญาติโยมไม่ติดถิ่นไม่ติดที่อยู่หรือแม้แต่ติดอากาศติดร้อนติดหนาวก็ไม่สมควรเช่นกันร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปต้องทดลองให้มันรู้แจ้งกันลงไปให้จิตมันชนะกิเลสลงไปให้แจ้งชัดถ้าญาติโยมคุ้นเคยคุกคีมากเกินไป จะต้องหนีถ้าอยู่ที่สะดกสบายเกินไปมีความมักคุ้นเกินไปก็ต้องหนีเช่นกันไปสถานที่ใหม่พบญาติโยมกลุ่มใหม่จิตจะตื่นระวังตัวอยู่เสมอการบําเพ็ญเพียรภาวนาจึงจะก้าวหน้าไปด้วยดีตลอดเวลาที่จําพรรษาอยู่ที่วัดป่าหนองบัวบานสามปีหลวงปู่ก็คิดว่าท่านได้ให้โอกาสญาติะกูลของท่าน มาทำบุญฟังธรรมมากพอสมควรแล้วและที่สำคัญการช่วยอนุเคราะห์โยมมารดา น, นั้นท่านก็ได้ประคับประคองโยมมารดาพาดำเนินมาในทางธรรมจนแทบจะกล่าวได้ว่าโยมมารดาสา ม, มารถเป็นพิพึ่งของตนเองได้ตามสมควรแล้วความจำเป็นที่จะอยู่วัดป่าหนองบัวบานให้เนิ่นนานต่อไปสำหรับอนุเคราะห์โยมมารดาจึงไม่มีอีก เมื่อเหตุผลทุกข้อลงตัวกันท่านจะจากมาจำพรรษาที่หกนวัดป่าบ้านหนองบวัวตอวัดนี้อยู่ในเขตจังหวัว ด, ดอุดรธา น, นีเฉ่นเดียวกับวัดป่าหนองบัวบานและณที่วัดนี้เองท่านก็ได้จำพรรษากับกัลยาณมิตร อ, องค์หนึ่งเหมือนกับเมื่อท่านอยู่วัดป่าหนองบัวบานเช่นกันกันลยาณมิตรองค์ใหม่ของท่านนี้ได้อุปสมบท โดยมีท่านจาาคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นอุปชาเช่นเดียวกันกับหลวงปู่ขาวอนารโยกาลยานมิมิตองก่อนของท่านและความจริงคู่กาลยานิมิต ท, ทั้งสองของหลวงปู่ได้บวชพร้อมกันเป็นคู่นาซ้ายขวาของกันและกันโดยหลวงปู่ขาวอนารยโยได้บวชเป็นนาคซ้ า, ายภายหลังท่านผู้เป็นนาขวาสิบห้านาที กัญญานามิตรทิศท่านได้จำพรรษาด้วยกันณวัดป่าบ้านหนองบัวซอคือท่านผู้ซึ่งประชาชนรู้จักกราบไหว้กันในนามหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาดิ่งนั่นเองหลวงปู่หลุยและหลวงปู่ชอบต่างก็มีกำเนิดเป็นชาวจังหวัดเลยด้วยกันจึงคบกันด้วยความสนิทสนมคุ้นเคยและภายหลังเมื่อท่านต่างไล่เลี้ยงบันเดือนตีเกิดกันก็ปรากฏว่า ต่างเกิดในเดือนเดียวกันปีเดียวกันคือในเดือนสามปีฉลูหรือในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2444และแม้วันเกิดก็เกือบจะเป็นวันเดียวกันทางกันเพียงวันเดียวคือท่านเกิดในวันที่12กุมภาพันธ์ส่วนหลวงปู่หลุยเกิดในวันที่11กุมภาพันธ์โดยหลวงปู่หลุยเกิดก่อนท่านหนึ่งวันเท่านั้นอย่างไรก็ดี ที่พระทูตอ์กรรมฐ า, านมิเพ่งพลับในธรรมยี่นไนทุกข้อโดยเฉพาะเคารพกันในเรื่องรำรสาทุกท่านจะสอนติดของท่านเสมอว่าผู้บวชคือหลังจะต้องเคารพผู้บวชก่อนผู้บวชคือผู้เกิดใหม่ในศาสนามีคำที่เรียกพระภิกษุว่าทวิชาหรือผู้เกิดสองครั้งเกิดครั้งแรกชาติแรกคือเกิดเป็นมนุษย์เกิดครั้งที่สองชาติที่สอง คึอเกิดในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบุตรพุทธชินโนรดผู้บวชก่อนก็คือผู้เกิดก่อนเป็นพี่ผู้บวชทีหลังก็คือผู้เกิดทีหลังเป็นน้องผู้เป็นน้องก็ย่อมต้องเคารพผู้เป็นพี่ชายเป็นธรรมเนียมนิยมเป็นอริยะประเพณีของผู้เจริญท่านเพ่งครับแม้บวชก่อนกันเทียงห้านาที1ิบนาทีก็จะต้องเคารพกัน การเคารพกันไม่ใช่เพียงยิ้มยิ้มให้กันหรือยกมือไหว้กันให้พอพ้นๆไปถ้ามาพบกันท่านจะลงกราบกันอย่างนอบน้อมโดยทาเบนจางขประดิษฐ์นั่งกระยงคุกเขา่าตอกสองข้างมือสองข้างและศีรษะทั้งห้าจุดจดพื้นเสร็จการทําความเคารพตามดินัยแล้วท่านก็จะโอภาปราศัยกันแม้หลงปูหลุยจันทสาโร ท่านจะมีอายุแก่กว่าหลวงปู่ชอบเวลาท่านพบหลวงปู่ชอบท่านก็จะกราบหลวงปู่ชอบด้วยเบญจางคประดิษฐ์อย่างนอบน้อมถ่อมองเสมอกราบตามพระธรรมวินัยและจึงสนทนาปราศัยกันเป็นกาลยานมิตรต่อกันร่วมปฏิบัติธรรมร่วมครูบาอาจารย์องค์เดียวกันสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนธรรมะสาตัชาต่อกันที่วัดปานองวัวตอ น, นั้น มีสภาพเป็นป่าดงพงทึบมากกว่าที่วัดป่าหนองบัวบานมากเดี๋ยวที่วัดป่าหนองบัวบานนั้นได้พ้นจากสภาวะป่ารกชัดมาเป็นป่าช้านามแล้วแม้ว่าจะเป็นวัดร้างแต่ร่องรอยของความเป็นเมืองก็ยังมีอยู่ไม่ใช่มีสภาพเป็นป่าจริงๆอย่างที่หนองบวองัวตอหนองบัวตออุดมด้วยสัตว์ป่า น, านานาชนิดทั้งจัดเล็กอย่างกระต่ายไก่ป่านก ลิงข้างบางชนีดทั้งตักใหญ่อย่างเช่นกระทิงเสือหมูปา่าหนีโดยเฉพาะเจ้าป่าใหญ่อย่างช้างปา่าจะผ่านมาในเขตบัดไม่ได้ขาดสำหรับเสือนั้นมีมากมายได้ยินเสียงร้องครางในเวลากลางคืนแทบทุกคืนอย่างไรก็ดีพวกสิงสาราตักเหล่านั้นคงจะรู้สึกถึงรังสีแห่งความสงบเย็น ที่บรรดามนุษย์ภูมิศีตะลน้นครองผ้าศีกันถนนที่มาพำนักอยู่ตามกระต๊อแค่ไม้ไผ่ท่านแผ่มาให้ด้วยความเมตตามันจึงไม่แสดงปฏิกิริยา ต, ต่อต้านใดๆให้ปรากฏตัดก็อยู่ส่วนตัดพระก็อยู่ส่วนพระวันดีคืนดีช้างป่าบ้างเสือบ้างหนีบ้างก็จะเดินลอยชายผ่านเข้ามาในเขตวัด